ใจมันกิเลสในหัวใจของคนเรานี่นะ่ะให้คิดทบทวนดูให้ดีมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่ตั้งนับชาตินบภพไม่ทวนแล้วที่ล่วงแล้วมาเพราะฉะนั้นเราจะมันละมันให้มันหมดไปสิ้นไปไวๆอย่างนี้ มันจะได้ยังไงอ่ะอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นทีเดียวเลยอันนี้นะเพทนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในทรงภาคเพียรพยายา ม, มสั่งสมกำลังใจของตนให้มันเข้มแข็งโดยยึดเอาบุญเอากุศลเป็นกำลังใจ ทำความเชื่อความเร่อมใสในบุญกุศลให้มา ก, มากๆทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าไม่มีบุญกุศลคุณพระรัตนกรกลเป็นที่พึ่งในใจแล้วใจไม่เข้มแข็งที่จะมาต่อสู้กับกิเลสหรือจะมากำหนดลา ก, กิเลสตัณหาในหัวใจให้น้อยเบาบางไปก็ไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลน่ะ มันเป็นยงนั้นมันมีอิทธิพลต้านทานไม่ให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากอำนาจของมันมันเป็นอย่างนั้นอำนาจของกิเลสนี่มันก็พอๆกันเนี่ยกับกานาจของบุญกุศลสุดแล้วแต่ใจเป็นเป็นปร ะ, ปประมาณ ถ้าใจมันชอบบุญชอบกุศลมากมันเบื่อต่อทุกภายในสงสารนี่อยากจะพ้นทุกข์อย่างแรงอย่างนี้นะอก็ทำความดีให้มากมากเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้อนุภาพของบุญกุศลก็ย่อมมีกำลังเหนือกว่ากิเลสบาปธรรมอานี่แหละที่ ทำให้กิเลสปาปธรรมมันครอบงำจิตใจไม่ได้ก็เพาะาใจเรามันพอใจมันโน้มไปในทางบุญทางคุณมากกว่าที่จะสร้างสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะว่าบุญกุศลก็ดีกิเลสปาปธรรมก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ เอาใจว่าขอให้เข้าใจกันแา่ที่คนสวนมากมันไม่เข้าใจโดยท่องแท้มันจึงปล่อยใจของตนให้กิเลสบาปธรรมครอบงาเอามันก็เลยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไปเนื่องจากว่ามันไม่เห็นว่า กิเลสตัณหานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นะกิเลสมันก็มีมายามันหลอกคิดของคนเราให้มีความสุขสบายไปได้ชั่วระยะหนึ่งมันกดมันกดเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยกิเลสมันทำให้ใจเป็นสุขสบายไปได้ทีนี้มนุษย์เราแล้วมันก็หลงอ่ะ มันมาหลงมายาของกิเลสอันนี้เนะี่ยมันสร้างสรรค์ให้เกิดความสุขไปบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เลยติดอยู่ในความสุข น, นั่นซะแล้วอืมคนขาดปัญญาไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันเจืออยู่ด้วยกิเลสเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ได้คิดเลยอ่าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นคนเราน่มันจึงเป็นอย่างนี้แหละมันจึงไม่สนใจในทางศีลทางธรรมเพราะว่ามันปล่อยจิตใจให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเสื่มมากต่อมากแล้วเช่นนี้นะมันจึงมันกิเลสตัณหามันมีอำนาจมันควบคุมจิตไว้ไม่ให้ยินดีในบุญในคุณไม่ให้ยินดีในการสดับตราพัง แล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นนั่นน่ะดังนั้นทุกคนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องควบคุมจิตของตนให้ดีก็ทำความพอใจยินดีในบุญในคุณีให้มากๆเข้าไปจิตใจมันจะไม่ได้ประวัติไปในกิเลสตัณหาความโลภโลกรธหลงต่างๆนี่ ไอ้ความยินดีในบุญในคุณนี่มันก็ต้องอาศัยการไข่ควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของบุญของคุณอันประเสริฐนี่จริงๆเลยอย่างนี้นะถ้าบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณค่าของบุญของคุณนี่แล้วความเชื่อความเลื่อมใสในบุญคุณนี่ก็ น, น้อยเรียกว่า มีแต่ความเชื่ออย่างนี้าขาดปัญญาอย่างนี้นะมันก็อ่อนนะความเชื่อนั้นนะอ่อนแอไม่แข็งแรงเพราะเหตุผลในเรื่องบุญเรื่องคุณนี่ไม่ปรากฏในใจโดยแจมแจ้งความเชื่อมันจึงไม่แข็งแรงให้เข้าใจต่อเมื่อใดผู้ใดมาพิจารณา ด้วยอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาดูว่าอานุภาพแห่งบุญกุศลนี่มันมียังไงบ้างดียังไงบ้างวิเศษยังไงบ้างอย่างนี้นะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนะถ้าพิจารณาเห็นว่าบุญนี่มีอานุภาพ กำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้จริงออย่างนี้แล้วมันก็เชื่อบุญมั่นคงเลยบันนี้นะมันก็เรื่มใสในบุญนะไม่จิตใจไม่โอกแวกไม่ไปเชื่อสิ่งอื่นว่าจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขไดม้มันก็ไม่หลงไหลไปแล้ววันนี้นะนั่นเนี้ยเป็นงั้น ก็เคยพูดสิแจงลักษณะอาการของบุญของบาปสู่กันฟังมาอยู่เสมอเสมอเ น, นี่ยแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังนั้นสิอันเนี้ยมันก็ไม่สนใจเลยบ่านี่บุญไม่ทราบเป็นตัวยังไงเป็นยังไงมีลักษณะอาการยังไงอย่างนี้ไม่ได้สนใจว่าเพื่อนว่าทําบุญก็ทําไปเท่านั้นแหละเมื่อทํา บุญในทาไปแล้วก็ว่าตนได้ทำบุญแล้วก็แล้วไปเท่านั้นเองนี่นี่นะเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อขาดปัญญาแล้วทำบุญกุศลก็ทำไปสักจะบอกขอไปทีอย่างที่ว่านี่นะเมื่อมีภัยมาถึงตัวเข้ามันถึงไม่ได้นึกถึงบุญเลยอ่ะเพราะทำแล้วมันได้ไม่ได้เอาใจใส่ในบุญนะ ไม่ได้น้อมเอาความดีเหล่านั้นเป็นอารมณ์เข้าไว้ในจิตใจให้มั่นคง อ, อ น, นี้ดังนั้นเมื่อเวลามีภัยพิบัติอะไรมาถึงเข้าก็จึงมีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นนี่นะมันนีมีพูดมาแนะนำให้นับถือสิ่งภายนอก เป็นที่พึ่งกับไปกับเข า, ขาแล้ววันนี้เพราะเหตุว่าตนนั้นไม่มั่นใจในบุญกุศลที่ตนทําอืมเนื่องจากว่าตนไม่พิจารณาเห็นคุณค่าของบุญอย่างจริงจังด้วยปัญญาเหตุนั้นถึงได้หลงไหลไปตามเ อ, อความคิดความเห็นภายนอกที่เขาชักจูงให้เห็นไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นสามารถจะช่วยได้อืม ก็จึงหลงไหลไปคนเรานั้นเปอย่างนั้นเพราะนั้นการที่แสดงธรรมะให้ฟังกันในที่นี้จึงมีจุดประสงค์อยากจะชี้ให้เห็นทางถูกทางผิดไปพร้อมกันเลยส่วนมากถ้าไม่ชี้อย่างนี้ละมันก็จะเห็นในทางถูกกว่านี่ทางผิดไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วว่านี้มีใครจูงไปในทางผิดมันก็ไปเ่ย มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นทางถูกไปซสอย่างนี้แหละเหตนกานั้นเราจรึงได้จ่องชี้แจงทางทางถูกทางผิดไปพร้อมกันเลยไปยังนันทุกคนนะ่ะเกิดมาในโลกนี่แต่ละชาติแต่ละภพก็จะได้มาพบพระพุทธศาสนาจะได้มาเพียรละชั่วทาความดี ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ง่ายนะไม่ใช่ทุกชาติทุกภพนะที่เราเกิดมาแต่ละชาติบางทีก็เลยไม่ได้พบพุทธศาสนาก็มีอยู่เรี่กว่ามีน้อยแนละที่จะได้พบพุทธศาสนาเนี่ยนะเนื่องจากว่านานๆจงมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตัดสร้ในโลกไม่ใช่ว่าจะมาตัดสร้นบ่อยๆไม่มีนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์่ะสร้างบารมีกว่าจะเต็มนี่โอ้ยนานแสนนานนะอืหลายกลับหลายการนะกลับหนึ่งหนึ่งนี้ก่อนนานแสนนานนะใหอย่างนี้นะที่เรามาพูดกันนี่คล้ายๆเขาว่าใกล้นิดเดียวคล้ายๆกับว่าไม่นานอะไรเลยอือย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วนานแสนนานคําว่ากลับหนึ่งการหนึ่งนั้นนะ มีผู้ไปทูลถามุขเจ้าว่าสามารถนับได้หรือไม่หนอเนี่ยพระองค์เจ้าตรัสนับไม่ได้นับไม่ได้ถ้านับไม่ได้แล้วสามารถที่จะเปรียบเทียบได้หรือไม่เออถ้าเพียงเปรียบเทียบนี้ได้อยู่สมมติว่ามีภูเขาศิลาแท้งทึบลูกหนึ่งหมายความว่าไม่มีโพรงละเป็นแท่งทึบลอยไปเดียว สูงก็โยดหนึ่งกว้างก็โยดหนึ 1, นน่งมณฑลร้อยปีทิพย์จึงมีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาปัดกวดหลังเขานั้นครั้งหนึ่งอย่างนี้นะร้อยปีทิพย์จึงได้มีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาปัดกวดหลังเขาหนั้นครั้งหนึ่งจนว่าเขาลูกนั้นแหละราบเสมอกับเพื่อนแผ่นดินเนี่ย จึงจะได้กับหนึ่งกันหนึ่งก็ลองคิดดูสิผ้ามันใช่ผ้ามนุษย์นะผ้าทิพมันละเอียดแสนละเอียดอะอย่างนี้นะแล้วเอามาปัดกวดถ้าปัดทุกวันก็ยังช่วยห่ะยนีย่อันนี้ในทั้งร้อยปีทิพนึงจึงมาปัดกวดครั้งหนึ่งเนี่ยจนว่าหินศิลาแท่งทึบอันนั้นกว้างยอดหนึ่งบนทนอันนั้สูงยอดหนึ่งอืม ล้อยหลอเลยสึกหล่อลงไปจนว่าราบเท่ากับเสมอกับแผ่นดินอย่างนี้นะก็จึงได้กลับหนึ่งกันหนึ่งไม่เศรานานเท่าไหรอ่อ่ะคิดดูแล้วทีนี่พระพุทธเจ้าลงอืสร้างบา ร, รมีเนี่ยเียอสงไขยอย่างนี้นะเียอสงไขยกลับอย่างนี้นะนี่นะหมายคาว่านับ หนึ่งสองหนึ่งกับสองกับสามกับไปจนถึงอสงไขยหนึ่งนับเป็นหนึ่งแบบนี้นะหนึ่งอสงไขยคนนับหนึ่งสองไปอีกจนถึงอสงไขยหนึ่งเนี่ยเป็นสองกับนับหนึ่งไปอีกเป็นสามกับนับหนึ่งไปอีกเป็นสี่กับโู่นอ่อสี่อสงไขยอ ลองคิดดูเพียงเด็กลับหนึ่งนี่ก็เพอเหลือกินแล้วนะพอแรงอยู่แล้วนานแสนนานนะอืมอันนี้บุคคลผู้ประมาทไม่ได้ฟังคําสอนของพระเจ้าก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่ตัณหามันชักโยงให้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างอย่างนี้แหละไม่ใช่ทําชั่วอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทําดีส่วนเดียวตลอด ชั่วก็ทำดีก็ทำไปมานี่ถ้าทำชั่วมากก็ได้เสวยทุกมากถ้าทำดีน้อยก็ได้เสวยสุขแต่น้อยถ้าทำดีมากก็ได้เสวยสุขมากไปนานไปหน่อยถ้าทำชั่วน้อยก็ได้เสวยทุกน้อยไปก็ชีวิตของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่บางคน แม้ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ยังไม่เชื่อและไม่ยอมปฏิบัติตามมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะอ่าเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะความประมาทความเลอะเล่ความเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมจิตใจของตนท่านพูดอะไรให้ฟังในนี้นะไม่ยอมฟังบางคนนะ ทำถ้าไม่ได้รู้ไม่ได้ยินเลยทั้งที่อยู่ในที่ประชุมนั่นแหละส่งใจไปทางอื่นนั่นก็สังเกตเห็นอยู่เหมือนกันนะนั่นแหะไม่ได้ตั้งใจว่าจะฟังจะพิจารณาตามคำสอนที่ท่านแสดงไปไม่เลยะนะอ้อาวเรื่องอะไรในเมื่อตนได้เข้ามาสู่ที่ชุมนุมอย่างนี้แล้ว เพื่อนพูดอะไรออกไปในมันก็หน้าฟังก่อนมีเหตุผลหรือไม่หนอเออถ้าท่านพูดออกไปไม่มีเหตุผลเชื่อไม่ได้อย่างนี้จะไม่ฟังก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้นะแต่ที่นี่ถ้าท่านผู้พูดท่านพูดท่านแสดงออกไปมีเหตุมีผลเพียงพอสําหรับที่จะให้ผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องนั้ น, น, นได้โดยแจมแจ้งไง มันควรฟังแท้นี่นะเนี่ยเพราะว่าคนเราไม่ได้ไม่ได้รู้ธรรมะนี่มาแต่เมื่อเกิดเลยอืแล้วเกิดขึ้นมาก็มีบุญมีกรรมนํามาตกแต่งให้แล้วมีอวิชชาตัณหาหุ่มห่อจิตใจมาอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะของอวิชชาตัณหาหุ่มห่อจิตใจอยู่ต่อเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว รู้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสออกจากกิจใจแล้ววันนี้ไปลงมือปฏิบัติตามวันนี้นะ อ, ะอะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอะไรเลยมันต้องพูดอีกอืมเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะผู้ไม่เข้าใจในทานในผลของทานโดยแจ่มแจ้งโดยปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็ให้ไปตาม ประเพณีเสยๆอย่างงั้นเลยให้ทานไปแล้วก็แล้วไปบางทีก็ให้ผิดๆถูกๆไปอย่างนั้นให้ทานให้โดยไม่ไม่หอรอบอืมอย่างนี้แหละแล้วผลมันก็ย่อมไม่มากเป็นธรรมดาเป็นงนั้นถ้าบุคคลมารู้จุดมุ่งหมายของการให้แล้วว่า การให้หม้ก็วว่าให้สิ่งของที่ตนเสแวงหามาได้ถ้าตนเสแวงหาสิ่งของต่างๆมาแล้วอย่างนี้มันต้องหวงต้องห่วงเป็นธรรมดามันต้องเสียดายไม่อยากให้มันเสียมันหายไปไหนแม้แต่ตนเองแก่ใช้ก็ไม่อยากจกใช้บางคนนะนห่วงหลายนี่แหละเนื้อเมื่อห่วงเยู่นี่นะ ไอ้ทรัพสมบัติเหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเท่าไรนะักว่นนี้ไอ้ตนเองก็สมมติว่าคนเงินมีเงินมากมากนี่นะใช้จ่ายแต่เพียงเล็กน้อยมันก็มีความสุขความสบายน้อยเท่านั้นเองออแทนที่จะใช้จ่ายสมกับฐานะว่าตนมั่งมีเอา้าจ่ายให้อาหารอาหารมาโหลดเลี้ยงกันให้อิ่มน้ำซ้ำล้าน หาผ้านุ่งผ้าหม่มอันรีงามมานุ่งมาหม่มให้สมกับฐานะว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ร่ารวยรวยทั้งบุญรวยทั้งทรัพย์ภายนอกอือไม่เอาแล้วเสียดายหาเครื่องนึง่งเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพีงแต่ราคาต่ำๆราคาถูกๆอะไรไป็นตำนองนั่นนะอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่ประณีตไม่สมกับฐานะผู้มีเงิน ไปซื้อเอาแต่อาหารเร็วๆวมาสู่กันกินอย่างนี้นะเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนผู้เช่นนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่นไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ใครต่อใครแล้วจะเอาบุญมาจากไหนวะนี้นะจะเอาอะไรมาช่วยให้พ้นทุกข์ได้เมื่อตายลงอ่เนี่ยนี่นะเพราะว่า ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีบุญมีบาปเป็นเครื่องนําทางเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจิตปัญญาเนี่มันไปหาเกิดเอาโดยลําพังไม่ต้องอาศัยบุญบาปเป็นพาหานะพาไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แช้งแทงตลอดแล้วนี้เอก็จึงได้นํามาแสดง ในหนังสือพระไกรพิดกนะไปดูผู้ใดยังสงสัยฮึมทรงแสดงว่าผู้ใดละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในจนในโลกนี้แล้วเมื่อละโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ผู้ใดประพฤติ ท, ทุทจริตด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม ปรามุตสาวาตดื่มสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอินอย่างนี้จนติดงอมแงมจนไม่มีโอกาสจะทำบุญกุศลอะไรได้เลยหาเหงินนะทองมาก็ไปซื้อเอาแต่ของเสพตินั่นแหละมาซ่องเสพอยู่นั่นอันนี้เมื่อตายลงไปแล้วมันบาปกรรมที่ทำนั้นมันก็ฉุดคล้าลงไปสู่นรกอบายภูมิ ท, ทุกทรมานอยู่นั้นพระองค์เห็นแจ้งโดยพระปีชายาญอันยอดเยี่ยมทั้งที่พระองค์ได้เสด็จลงไปถึงนรกนั่นก็มีบางครั้งบางชาตินะออ น, นี้เตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่นี่ก็เหมือนกันนละยพระองค์ก็เสด็จลงไปโปรดสัตว์นรกเหมือนกันนะก็เมื่อพระองค์เสด็จลงไปนะี่ม่มมมมมนานนรกนั้นเย็นเลย มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวนั้นลอยอยู่ในหม้อนรกนั้นสารนรกทั้งหลายได้ความเยื่เกินสบายขึ้นมาฝ้าพระองค์อย่างนี้เนะี่ยพระองค์ก็ให้โอวัตต์นี่นาสั่งสอนไปมเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมนี่แล้วขอให้พากันละเว้นความชั่วเหล่านี้นะ เพราะความชั่วเหล่านี้เลยที่มาตกนรกหมกไม่อยู่นี่อืมสัตว์นรกแล้วนั่นกับปฏิ ญ, ญาณตนต่อพระ อ, องค์กว่าเมื่อคาบพระ อ, องค์นั้งหลายนี่พ้นจากนรกนี้ไปเกิดเป็นคนแล้วก็จะไม่ทําบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานี่ต่อไปพราะเห็นทุกข์เห็นโทษในนรกนี้พอแรงแล้วมันทุกข์เหลือที่จะอดเหลือที่จะทน อ่าอย่างนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในเมนักปาดเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านจารึกไว้ในคำภีอย่างนั้นมีอยู่โทษสูตรไปเลยพระสูตรสันตปิฎกมานะะอย่างนี้นะแล้วก็ทรงแสดงก็าผูดด้ใดละราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปแล้วก็ย่อมดับขันเข้าสู่วิญญาณ เป็นอนพ้นทุกในวตาดสงสารได้โดยเด็ดขาดทรงแสดงมาอยู่เนี่ยทุ ก, กันเลยพระธรรมเทศนาอย่างนี้แต่บุคคลผู้วาสนาน้อยปัญญาอ่อนแม้่ได้ฟังแล้วมันก็ไม่คิดไม่กรองไม่รู้ไม่เข้าใจมื่อก็ว่าธรรมะไม่เข้าถึงใจของเขา อย่างนี้นะเข้าไปแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาวิชาพอแรงแล้วเหตุดังนั้นนะ่ะธรรมะคำสองพระติเจ้าจะไปสถิตยอยู่ในจิตใจของคนเช่นนั้นอยู่นั้นไม่ได้เลยพพอจะชั่วช่างพระหูงูแลบลิ้นทนั้นก็หมดไปหายไปแล้ว พูดเช่นนั้นแล้วก็นานพ้นทุกเลยกว่า น, นี้นะนานพ้นทุกแล้วชีวิตของมูนั้นก็เป็นโมฆะเรียกว่าเปล่าจากประโยชน์เกิดขึ้นมาแต่ละชาตินี้แทนที่จะได้อาศัยกายวาจาอเนีย่ยสร้างบุญสร้างกุศลทำประโยชน์ตนและผู้ประโยชน์ผู้อื่ น, น, นให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มไม่ทำแล้ว ยอมตนให้กิเลสตนะอวิชามันบังคับปัญชายไปทําดีบ้างทําชั่วบ้างทําดีก็อย่างว่านั่นนะดีอย่างโรคโรคเขาจะไปทําดีอย่างทํามาทําไม่ได้เพราะว่าตนไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจในธรรมหรือฟังแล้วก็ไม่สนใจน้องเข้าไปพี่นะเหตุนั้นทําความดีก็ดีอย่างโรคโรคเพราะฉะนั้นโลกอันนี้นะอะไรเขาจึงมีหน้าโยบาย ยุยงส่งเสริมจิตใจของคนให้เหอในลาบในยศผู้ใดทำราชการเมืองดีเข้าไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวผูว้บังคับบัญชาก็หารางวัลมาให้หรือว่าหาวัตถุอะไรหนึ่งอันเป็นที่ระลึกไว้อย่างนี้นะ เรียว่าโล่โล่ตากรงจับอะไรมอนนั่นแหละเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าผู้นี้ได้ทำความดีต่อประเทศชาติอย่างนี้แต่ทางศีลธรรมเขาไม่ได้เอื้อเฟือเขาก็ได้รับยศพอได้รับยศถึงก็ดีอกดีใจว่าตนเป็นคนดีแล้วอย่างนี้ตนไอ้ทาบาปทากรรมนั้นไม่ไม่ว่ามั น, ม, น, ม, นมันจะพาไปสู่ทุกข์เลยอะ เธอเอาแต่ความดีที่นายยกให้เท่านี้เองคนส่วนมากไปอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูแล้วแม้นักการเมืองนี่น้อยคนที่จะเขวัดเข้าว่าที่จะสดับตรับฟังคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเมามัวแต่ลาบแต่ยดที่ตนได้เท่านั้นเลยไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตของตนอพอเมื่อตนตายไปแล้ว อะไรแล้วจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้ไม่ไม่ได้คิดแล้วแต่ถ้าผู้ที่คิดมันก็คิดได้ก็บางคนก็อาจคิดได้อยู่แต่ว่าอานาจของกิเลสมันต้องมีกำลังแรงกว่ามันก็ให้ทำความดีได้แต่ น, น้อยอย่างนี้นะมันก็ไปหลงไหลเห่อยู่ในลาบในยศอันมากต่มาก มีอยู่ทมไปในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วบุญกุศลหนนหลังนะ่ะมันติดตามมาตกแต่งให้มีฐานะดีมีความรู้ดีอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ฐานะอันดีคือร่างกายอันนี้นะวาจาอันนี้นะ่ะทำความดีเข้าไป เพื่อส่งเสริมให้กุศลความดีมันมากขึ้นโดยลําดับอันของเก่านั่นเรียกว่ามันให้ผลไปห้อยผลไปมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปเมื่อไหร่แล้วเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วชีวิตที่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทําลายลง น, นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอน ว่าให้ไม่ให้ประมาทให้พึ่งบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะองค์สั่งเสียอย่างนี้แล้วคงงับข้อดกระชงเข้าสู่ผลิพานไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปชิม่าโอวาตเนี่จะไม่สำคัญอย่างไรแล้วมันมีความหมายอย่างกว้างขวางเอาจริงๆเลยที่ทรงตรัสสอนอย่างนี้ก็ แสดงว่าคนที่ประมาทมีเยอะแยะเลย <c oughs> คนที่ไม่ได้คิดบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่มีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าพ้นทุกข์ไปไม่ได้ผู้ใดไม่ไดท้ทำประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> คำว่าประโยชน์ตน มันก็หมายถึงว่าการฝึกตนนี่แหละอมองดูตนของตอนเห็นว่าตนของตอนยังมีความชั่วติดตัวอยู่อย่างไรอย่างนี้นะแล้วก็พยายามขจัดความชั่วนั้นออกไปจากกายว่าจาใจให้มันม้อยหมดไปสิ้นไปในขณะเดียว ก, ก็ทำความดีเขาใส่ไว้ในจิตใจนี้ให้เต็มความสามารถ อืไม่มีเบื่อหน่ายในการกระทําความดีทําบุญกุศลทําความดีไปเท่าไรบุญกุศลนั้นอํานวยผลให้มีความสุขใจสบายใจไปมันก็มองเห็นผลแห่งความดีในปัจจุบันนี้ได้แนะพ่อใครจะไปเกลียดขร้านทําบุญกุศลทําความดีแบบนี้นะเพราะว่ามันปรากฏผลในปัจจุบันนี้นี่การทํำ คือแต่มันถักปรากฏผลทางด้านจิตใจผู้มีบุญวาสนาแก่กล้าเข้าไปแล้วบาประงับไปแล่อย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจสงบระ ง, งับเยือกเย็นสบายหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่กระทบกระทั่งมานี่เมื่อบุคคลม่เห็นผลเป็นความดีอย่างนี้แล้วมันก็มั่นใจเลยวะนี่ไม่มีถอยหลังเลยอ๋อ ไอ้จิตใจเราจะมีความสุขความสงบความเย็นอยู่นี้เพราะอาศัยบุญแท้เพราะอาศัยคุณแท้แท้เลยไม่ไม่ใช่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอื่นใดมาทำให้เรามีความสุขความสงบความเย็นใจมันเห็นแจ้งโดยปัญญาของตนแล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วเรื่องที่พึ่งแล้วไม่สงสัยเลย เห็นแจ้งชัดลงอวยนอกจากบุญจากคุณแล้วจึงสมกับบทพระธรรมคุณว่าสว่าขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุวิภาคเจ้าสแสดงไว้ดีแล้วสันทิิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่นะอะากาลิโกอ้าให้ผลโดยไม่อ้างการอ้างเวลาเลย อย่างนี้จะอ้า ง, างไงเล่าในเมื่อเราได้ฝึกฝนจิตใจในให้ตั้งมั่นในบุญในคุณแล้วเมื่อใจนี่ยังอาศัยร่างกายนี่อยู่ตราบใดใจนี้ก็ย่อมเอิ่อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อนึกพิจารณาถึงความดีที่ตนทํามาเมื่อใดก็อิ่มอกอิ่มใจเมื่อนั้นเลยเหตุนั้นจึงว่าพระธรรมที่ผู้ปฏิบัติ ดีแล้วอย่างนีนะ้จึงว่าให้ผลไม่อ้างการอ้างเวลาเลยให้ผลทุกเมื่อไปเลยนี่หมายถึงคนไม่ประมาทนะเมื่อตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วก็รักษาบุญคุณไว้ในใจให้ได้ไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นะเมื่อรักษาบุญคุณไว้ในใจไม่เสื่อมแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาไปเลย ที่เรามีชีวิตเป็นอยู่นี่ถึงจะมีเหตุไม่ดีอะไรตอ น, น, นมีเรื่องยุ่งยากอะไรบางเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกับงานบ้างเกี่ยวกับบุคคลบ้างอย่างนี้ผู้ที่มีบุญคุณเป็นกำลังใจเข้มแข็งเนะี่ยมันก็สู้อะไม่ถอยหลังเลยอ่ามันจะยุ่งยากอะไรก็ยุ่งมากเราสู้เราหาทางแก้อือ ถ้าแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องวางอุเบกขาลงอ่าเป็นกรรมของเราหรือกรรมของเขาอออนุภาพแห่งกรรมเมื่อมันให้ผลแล้วไม่มีใครจะลบล้างได้อเราก็วางอุเบกขาลงไปมันเหลือวิสัยแล้วนี้มันทําไม่ได้แล้วมันช่วยไม่ได้แล้วจะไปเป็นทุกข์เป็นโศกหรือทําไมอ่ะก็วางอุเบกขาลงผู้เช่นนั้นน่ะสามารถ ทำการทำงานในธรรมาหาเลี่ยงชีพให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าอยู่ครองเรือนก็ดีถ้าเป็นนักบวชยังนี้ก็เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขความสงบความเย็นใจแต่ละวันแต่ละคืนไม่ดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะว่าใจมันยึดมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้ว อาศัยบุญคุณนี่เป็นกำลังใจทำให้ใจเป็นสมาธิทำให้ใจตั้งมัน่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วอะไรเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งเข้ามันก็ปัญญามันก็เกิดขึ้นทันทีปัญญาเกิดจากใจตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เท่าเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั่น เรื่องดีมากก็รู้เท่าเรื่องชั่วมากก็รู้เท่ า, ารู้เท่าอย่างไรรู้ว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือแหละนี่ก็จะไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้ทำไมอ่ะเมื่อไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆสินั่นนีอย่างว่า เรื่องใดที่มันล่วงมาแล้วแต่ก่อนนะมันล่วงมาแล้วแต่นนเมื่อวานนี้หรืออย่างว่าเอ้าเอาใกล้ๆว่ามันล่วงมาแล้วแต่เมื่อเช้านี้อย่างนี้นะอแล้วมันก็ดับไปแล้วเรื่องเหล่านั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดปรากฏอยู่นะแต่หากว่าใจยึดถือเอาไว้แต่เมื่อเช้านั้นมามันก็มีนั่นนี่มันก็ปรากฏอยู่ในใจนั่ น, นี่แต่ปรากฏอยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องผิดหวังอะไรที่ร่วงมาแล้วนะั้นเราก็จะไปกลับแก้ไขให้มันสมหวังนี่ก็ไม่ได้นะเพราะมันร่วงมาแล้วนะี่นะมันเป็นอย่างนั้นเริ่งมานะดังนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงให้ทรงถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยวันนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตใจนี่เห็นว่าใจนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีอย่างนี้ ล้วก็มันเพ่งพิจารณาเรื่องบุญเรื่องคุณนี้ให้มากให้เห็นแจ่มแจ้งโดยปัญญาของตัวเองอย่างนี้แล้วเมื่อเมื่อเราเพ่งอยู่เสมอเสมอแล้วบุญคุณที่เราสั่งสมไม่เคยมีขึ้นในใจมันก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะให้เข้าใจถ้าเราไม่เพ่งเราไม่ทำในใจอย่างนั้น ไม่ทำความยินดีในบุญในคุณนั้นให้มากเข้าไปอันนี้บุญคุณนั้นก็ไม่เจริญขึ้นได้ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละ ว, ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจอนี้นะเมื่อความพอใจในบุญในคุณเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ปื้มปีติอยู่ในใจนั้นใจก็ส ง, งบไม่ไปไหนแล้ววันนี้มันเห็นความสุขอันเกิดจากบุญจากคุณนั้นแล้วนี้ อ๋อเพราะเราได้สั่งสมบุญขึ้นในใจอย่างนี้เราได้สั่งสมคุณพระทัตะไกรขึ้น ใ, นในใจอย่างนี้ใจเราจึงสงบอย่างนี้เราจะมีความสุขอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สงบอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนในวันนี้นะเพราะว่าจิตมันอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี้ไม่อยู่ด้วยโลกภายนอกเลยอ่ะบุญคุณเป็นตัวไงอ่ะ บุญคุณไม่มีลูกล่างที่เคยพูดมาให้ฟังอยู่บ่อยๆ อ, อยู่นั่นแหนะบุญคืออารมณ์ที่มาทำใจให้เบิกบานผ่องใสนี่นะน่นเรียกว่าบุญนะคำว่าคุณนั่นก็หมายถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระพุทธเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ว่า คุณพระพุทธเกิดขึ้นในใจแล้วทำให้ใจฉลาดสามารถเห็นแจ้งในความชั่วได้อ้าวอย่างนี้เป็นบาปมันจะนำตนไปสู่ทุกข์อย่างนี้พระเจ้าแสดงไว้จริงเห็นด้วยปัญญาตาใจอย่างนั้นแล้วมันก็ละบาปได้เลยนี่นะอย่างนี้แหละจึงว่าไอ้คุณพระพุทธเจ้านะ คือพุทโธคุณนะจึงซึ่ว่าทำใจให้สว่างสวัยทำใจให้รู้ให้ฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาบุญคุณโทษอะไรตลอดถึงอริยสัจสี่ก็อาศัยพุทโธคุณนี่เองเนี่ยพุทโธไปว่าผู้บานแลหรือพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ฉลาดถ้าผู้ใดมีพระคุณพุทธคุณอันนี้อยู่ในใจ มันก็ทำใจของพู้นั้ให้ฉเฉลียวฉลาดได้นี่นะให้เข้าใจเนื้อที่ท่านสอนให้บริกรรมพุทธโธกับมันเป็นบทบาทเบื้องต้นเมื่อจิตยังรวมสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เอาบางคนนั่งภาวนามนชักจะง่วงเหงาหานอนอย่างนี้นะเอาคนนึกพุทธโธปลุกจิตใจใตื่นอยู่เลยไปอย่างนี้ ไอ้ความง่วงนะั้นมันก็ค่อยหายไปคอืมเพราะคนเรานี่เมื่อมัน ง, วง่วง้นี่ยมันไม่อยากคิดอะไรหรอกมีแต่อยากจะนอนลูกเดียวอ่ะไปอย่างนั้นวันนี้เราจะแก้ไขมันไม่ถึงเวลานอนอ่ะเราจะไม่นอนเพราะจึงนึกพุทโธนะั่นแทนเลยวันนี้นะนึกพุทโธ้าไปบ่อยๆเข้าพุทโธนั่นก็เตือนจิตให้ตื่นให้ชื่นบานขึ้นมา เมื่อจิตชื้นบานแล้วร่างกายก็เบิกบานความง่วงขทาไหรมันก็หายไปเป็น อ, อย่างนั้นขอให้พากันจำวิธกรรมวิ ธ, ธีระ ง, งับความง่วงเหล่านี้ไว้ให้ดีเพราะทุกคนมันมีแหละไม่ถึงเวลาคนจะนอนอย่างมันก็ง่วงแล้วมันหาวเลอขึ้นไปแล้วอห้อย่างนี้นะเออนี่ ก็ ข, ขีเล็ดนี่วอนอันนี้นะเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราจะไม่ตามใจมันดอกอย่างนั้นเราจะไม่ตามใจเลยอย่างนี้นะ <c oughs> เราจะตามคําสอนของพระเจ้านี้แหละเราจะยึดเอาพุดโธนี่เป็นอารมณ์อ <c oughs> นึกได้อย่างนี้เราก็เนื้อภุทโธบริกรมรมภุทโธไปอย่างนั้นในที่สุดความง่วงเหงาห่าวนอนก็หายไป จิตใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมาเจริญปัญญาวิปัสนามก็ก้าวไปได้ในวันนี้นะพอพิ จ, จารณาสังขาร น, นามลูกอันนี้ก็เห็นแจ้งได้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสอยู่ในบุญในคุณนะนะั่นแะอย่าอย่าไปเข้าใจว่าบุญคุณนี่นะจะไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวผู้บำเพ็ญสมถะอิปัสสนานี่ผิดแล้ว ผู้ดเหตุอย่างนั้นผิดก็ลำพังแต่จิตนี่นะมันควบคุมไม่อยู่เลยถ้าว่ามีแต่จิตอย่างเดียวไม่มีบุญมีคุณไปได้พึ่งอยู่แล้วกิ เ, เลสแหล่มันมาเข้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่อะมันครอบงำแล้วมันจูงไปใช้คิดสร้างไปทั่วพิภพนี่แหละพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้ใดเข้าใจเช่นนี้นะ ผู้นั้นก็จะไม่ละความเพียรเลยเมื่อตอนได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยการมาเพ่งถึงบุญถึงคุณเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเราก็เพ่งให้บุญคุณนั้นแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเมื่อเราพยายาม พิจารณาไปเจริญปัญญาเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเรื่อยๆไปแล้วไอ้บุญคุณนันนี่แหละล้อมตัวเข้าเป็นตัวปัญญาไปนี้นะเป็นองค์ปัญญาเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นปัญญานี่มันก็เมื่อมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้ก็ได้ชื่อว่าองค์มรรคทางแปกประการนั้น มารวมกลงเข้าเป็นองค์ปัญญาอันเดียวเลยบวะนี่เป็นปัญญาสมาธิธอก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่าโอ๋อความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์บ่อยๆจิงหนออพอเกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์แหละดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเล่า เพราะว่าร่างกายนี่แปรปรวนกระทบจิตอยู่เสมออย่างนี้นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจึงได้เห็นว่าเออการอาศัยอยู่ในธาตุสี่านี่เป็นทุกข์จริงๆเช่นนี้เมื่อร่างกายนี่มันชำรุดทุดทรมไปเท่าไหร่มันยิ่งได้รู้สึกเป็นทุกข์มากไปเท่านั้น อ, อันนี้เรียกว่ามันเป็นขลแห่งความเกิดอันนี้นะ นี่แหละเรียกว่าผลแห่งความเกิดผลของบุญของบาปที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนุ้นมาตกแต่งก้อนทุกอันนี้ให้พูดง่ายๆวันเถอะฮางเบียนันแล้ววันนี้เมื่อบุคคลสาวไม่สาวดูแล้วเหตุที่จะมาเกิดนี่เพราะอะไรจึงมาเกิดไม่ทบกไม่ทวนดูแล้วก็เอาอีกแล้ว ก็ไม่เห็นช่องทางที่จะถอนตนออกจากทุกนี้ได้เลยเมื่อทบทวนดูว่าทำไมตนถึงจะมาเกิดเป็นลูกเป็นนามเป็นคนอย่างนี้อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสรลอแจง้งแทงตลอดว่าตัณหาอุปทานเลยเป็นเหตุให้คนเราเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อย่างนี้นะ เพราะตันหนาแปลว่าความอยากอุปทานคือความยึดถือยึดมั่นยึดมั่นในความอยากนั้นเมื่อตนอยากได้อะไรแล้วนี่กดอยากอ ย, กอยกู่นั้นเนี่ยยึดมั่นอยนู่นั้นเพราะว่าความอยากในโลกเนี่เมื่ออยากอะไรแล้วจะให้ได้สมหวังทุกอย่างไปในให้ได้ง่ายๆอย่างนี้นะี่ยมันเป็นไปไม่ได้สิแบบนี้นะเพราะว่าบุญตัวมันน้อยนี้ ถ้าเพื่อนผู้บุญมา ก, มากอย่างนี้อย่างพระเจ้าเจ้ากรปติราชนี่รือสร้างบุญกุศลมามากมายแล้วอย่างนี้พอพระองค์พี่ณาเห็นว่าเอ๊ะเราควรที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเราจะเอาเงินทองเข้าของที่ไหนเนาะมาช่วยมนุษย์นี้อย่างนี้นะพอนึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมาได้ก่อนนะ ในตำราทางเก่าว่าแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาแต่ท้องฟ้าอนะ่าอย่างนี้แหละแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนเก็บเอาเลยผู้ดใดอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่นนี่ธรรมดาคนผู้มีบุญมากนะเมื่อบุญมากมากถ้าแล้วอย่างนี้นึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยอ่าเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราเกิดมาในโลกนี้เอ้า อธิษฐานยังไงก็ไม่ประสบความสมหวังไม่ร่ำไม่รวยต้องการอะไรอธิษฐานในใจก็ไม่ได้ตามประสงค์นี่นเพราะเหตุอะไรล่ะนั่นก็เพราะว่าบุญกุศลที่ทนทำมานะั้นมันน้อยมันกำลังน้อยมันไม่พอที่จะบรนดาลให้ไม่พอที่จะบรรดาลสิ่งที่เราต้องการให้ได้ให้เข้าใจ ดันั้นคนส่วนมาก้าเข้าวัดไปก็อยา ก, กไปหาพระนั้นช่วยวตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้อธิษฐานยังไงมันก็ไม่เกิดให้บางทีพระท่านมีบุญมากท่านมีศีลธรรมสูงท่านอธิษฐานช่วยบางทีอาจจะเป็นไปได้ อ, อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนเข้าวัดบางคนบางพวกเข้าไปหาพระ จึงว่าไปโอดควรในเรื่องผิดหวังอะไรต่ออะไรให้ฟัง้วก็ขอให้ท่านช่วยเหลื อ, ใ ห, อให้ได้พ้นทุกข์พ้นยากให้ได้พ้นจากความผิดหวังอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะเช่นนี้แหละแต่แล้วที น, นี่พระก็ไม่ใช่ว่าจะมีบุญมากอะไรจะนิะมิตอะไรให้ใครต่อใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ผู้ขอ มางนี่ก็มันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะอะมันเป็นไปไม่ได้พอเหตุนั้นนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจทุกคนต้องพึ่งตัวเองอย่างนี้เลอืถ้าว่าให้ถูกต้องเลยแท่แล้วเมื่อท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติแล้ว แล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทบุญกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเชื้อของบุญกุศลมีอยู่ในหัวใจของคนเราแล้วมันถึงได้มีศรัทธามาทำบุญกุศลอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าเชื้อบุญกุศลไม่มีมันก็ไม่ต้องการจะเขวัดเขาวาไม่ต้องการจะทำบุญให้ทานได้แล้วไอคนที่ไม่ปรารถนาจะทำบุญให้ทานทำความดีในพุทธศาสนาต่างนั้นนั่นแหะแสดงว่าเชื้อแห่งบุญกุศลไม่มีอยู่ในจิตใจของเขา ไม่มีสิ่งใดที่จะมากระตุ้นใจเขาให้เกิดความต้องการปรารถนาในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ถูกต้องนั่นนะไม่มีลองสังเกตดูอย่างนั้นก็รู้พอที่จะรู้ได้อ น, นี้แหละนี่พูดถึงว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดพึ่งผู้อื่น ไป อ, อ้อนวอนใด้ผู้อื่นนั่นอธิษฐานอะไรต่ออะไรให้ช่วยตนให้ตนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สมประสงค์ น, นี่ไม่ต้องหรอกผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยควรจะตั้งใจทำความดีอาศัยกายวาจาใจนี่เป็นทุนรอนอในเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ แล้วก็ตั้งใจทําเข้าไปสิ่งใดมันชั่วก่อนละเพียนละามันออกไปสิ่งใดที่มันดีมันเป็นประโยชน์ต น, นและผืนเราก็ทําลงไปไม่ท้อไม่ถอยก็อย่างนี้นะมันก็จะไปไหนบุญนะข อ, อย่างที่ว่ามาแล้วไอ้จิตที่มีความเชื่อเริ่มใสว่าทําบุญได้บุญทำบาปได้บาป อันนั้นอะเลยกว่ามันมีเชือ้ออออันที่มันไม่มีเชื่อนั่นเพราะว่ามันบางคนไม่เชื่อว่าทําบุญจะได้บุญทําบาปจะได้บาปไม่เชือ่ออก็แสดงว่าเขาไม่มีเชื้อของบุญของบาปอยู่ในใจเป็นยังไ น, นเรื่องมันนะเมื่อเขาไม่มีอย่างนั้นเขาก็ไม่ทําบุญแต่เมื่อคนเราเมื่อไม่ทําบุญแล้วอย่างนี้ กิเลสมันก็จูงให้ไปทําบาปอ่ะ น, นี่อ่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละให้เข้าใจกัน <c oughs> จิตนี่มันจะว่างไม่ได้นะเ <c oughs> มื่อบุคคลยังไม่ทันถึงซึ่งพระนิพพานนะมันต้องมีที่พึ่งอยู่เออมันต้องมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> มันจึงไม่ไปทําความชั่วอ่มันจึงไม่ถูกความชั่วคือบาปกรรม ความโลภโกรธหลงนั้นมันชักจูงให้ไปทำความชั่วชักจูงไม่ได้เพราะว่ามันกำลังของบุญกุศลนั้นมันมากเป็นผู้ทาบุญกุศเลเรื่อยไปเช่นไหวพ้พระนั่งสมาธิภาวนาทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้นะแล้วทางศีลก็รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไปไม่ทำบาป น, นี่การให้ทานนั่นเรียกว่าให้ได้เป็นครัง้งเป็นคราวไม่ใช่ว่าจะให้ตลอดไปไม่ได้หรอกเพราะว่าทายทานมีจํากัดไปอย่างนั้นการรักษาศีล น, นี่ถ้ า, าว่ารักษาได้เป็นนิจศีลไปน ะ, ะนับว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลอย่างมหาศาลทีเดียวแถมภาวนาเข้าไปอีกอย่างนี้นะ ทำใจสงบระงับลงไปแล้นี่บุญกุศลมันก็เจริญขึ้นมากๆขึ้นไปแล้ววันนี้นะเอาไปไหนเสียบนันนี้เพราะว่าเรามีเชื้อของบุญอยู่ในใจแล้วเหมือนอย่างบุคคลผู้นี้มีเข้าเชือ้อเก็บเข้าเชื้อไว้แล้วทํานาปีนี้นะอย่างนี้เนะตกปีหน้ามาก็ไถคาดแล้วก็หว่าน มันก็งอกขึ้นมาอย่างนั่นแหละเมื่อมันงอกขึ้นมาแล้วเอาไปปักไปดำเข้าไปเมื่อมันออกรวงมาแล้วมันก็หลายกว่าเม็ดหนึ่งวะนี่น ะ, ะเข้าเม็ดหนึ่งนี่มันจะได้เข้าต้องเป็นร้อยเม็ดนู่นนะกําไร อ, อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเรารักษาจิตใจนะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล ได้เมื่อมีเหตุอันชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งมาเราไม่หวั่นไหวเรามีอุบายแก้ไขเรื่องชั่วนั้นให้ระงับดับไปเลยให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นในใจเมื่อเราเอาชนะความชั่วได้แต่แ ต, แต่ละครั้งและคราวนะบุญบกุศลก็ย่อมจเจริญขึ้นสติปัญญาในก็จเจริญขึ้นให้เข้าใจเป็นอย่างนี้แหละ โอมามันอย่างบุคคลบุกเบิบเบกป่ารกลงหนาเนี่ยให้เตรียนโล่งไปแล้ววะนี่ก็ปลูกพืชพันธัญอาหารอะไรลงไปมันก็งามงอกงามเจริญขึ้นมันไม่มีต้นหญ้าต้นไม้อื่นมาแย่ยงกินอาหารของมันนะอืมอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมาสละความชั่วออกจากกายวาจาใจเสียแล้ว ตั้งหน้าทําความดีอย่างว่านี่เข้าไปฝึกใจให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆความชั่วใดๆมากระทบกระทั่งก็ไม่หวนไหวเอเมื่อไม่หวนไหวแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นแหละความชั่วอะไรมันจะตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราใจไม่ชอบแล้วนะเมื่อใจไม่ชอบแล้วมันก็ดับไปเองมันนะอะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันสําคัญที่ใจสิไปยึดถือเอาความชั่วไว้ คนเราสนมากมักจะชอบยึดถือเอาความชั่วของผู้อื่นเช่นคําด่าว่าเสียดสีทางๆว่า น, นี่นะแววใสหูมาไม่ได้แล้วงดุดขึ้นมาทันทีเลยอตอบโต้กันไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นผู้ยึดเอาความชั่วของผู้อื่นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อน ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญามีสมาธิจิตอยู่แล้วพอเรื่องชั่วอย่างนั้นกระทบเข้ามาเออนี่เป็นเรื่องชั่วนิไม่ใช่เรื่องดีนะเรื่องอะไรจะมายึดถือเอาไวนะ้ล่ะมันก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นชอบตามปัญญาแนละ้วมันก็มายึดถือเอาไว้มันสงบอยู่แล้วเรื่องนะั้นมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> มันก็ดับไปแล้ว นี่แหละวิธีละกิเลสให้พากันจําเอาไว้อืไม่เช่นนั้นแล้วกิเลสมันจะดับไปได้ยังไงอ่ะก็กิเลสมันมันมาจากเชื้อเหมือนกันนี่นั่นแหละเมื่อเขาคนอื่นเน่ยเขาเอาเชื้อของบาปประทรมมาให้ทนไม่เอาเสียปัดทิ้งซะแล้วมันก็นเลี้ยไปบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นอืออย่างนี้เลย นี่นหละพระเดเจ้าวยังสอนในพระเพียรละอาคุศลแล้วบอมเพนกุศลได้เกิดขึ้นมันมันก็ในขนาดเดียวกันนั่นแหละเน <c oughs> มื่อสมมุติว่าอย่างว่าเขาโกรธมาเขาด่าเขาแช่งมาเราไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบไม่แช่งตอบเราอดทนได้เราไม่ยึดเธอเอาคําด่าคําว่าของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยอย่างนี้นะ เมื่ออารมณ์เหล่านั้นไอ้เรื่องชั่วเรื่องเสียงเว้ยวมานมันดับไปหมดแล้วจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมาเ น, นี่มาพิจารณาดูผลนะ่ะที่ว่าตนเอาชนะความชั่วเหล่านั้นได้แล้วเมื่อพี่นายนนะ้องอ้อยเราก็กิงนะใจเรานะ่ะว่าหนักแน่นทีเดียวเราเอาชนะกีความชั่วของผู้อื่นได้แล้วเราไม่ยึดถือเอามันก็เกิดอิ่มใจขึ้นมา นั่นกุศลมันก็ยอมเจริญขึ้นไปเป็นอย่างนี้เลยถ้าผู้ใดเมื่อเมื่อความชั่วเมื่อเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเขาแล้วก็หวนไวไปตามเรื่องชั่วนั้นยึดถือเอาเรื่องชั่วนั้นไปแล้วกุศลก็ไม่เจริญขึ้นเลยว น, นี้ให้เข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็จะดีที่แ่บ น, นี้มันก็จะไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วเข้าไว้ในใจ ของใครใครก็เอาไปสิเราไม่เอาแล้วความชั่วเราเอาแต่ความดีถ้าเขาเอาความดีมาให้เราเอาอย่างงี้นะถ้าใครเอาความชั่วมาให้เราไม่เอาหรอกปัดทิ้งไปแล้วมันก็เลี้ยวไปนี่แหละเมื่อสรุปลงแล้วถึงว่าการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาโมรีนะคา ม, มุ่งหมายก็เพื่อที่จะตัดกระแสแห่งความชั่วแห่ง ความยึดความถือภายในจิตใจนี้ให้ขาดออกไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันมีเยื่อใยต่อไว้ในจิตใจอีกอเช่นนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้